เราพากันนั่งนานๆมั่งป่ะนั่งยื้อเฉยแหละแบบนั่งคือแปลงแปลงแปลงแปลงสัญญาให้เป็นปัญญาบ้างเดี๋ยวนี้เราก็จำมารู้หมดหลวงปู่นั่นหลวงตานี้พระพุทธเจ้าสอน น, นู่นนั่นนี่บางทีก็รู้มากกว่าับเดีมา <c oughs> รู้ทั้งรู้แต่ก็อยู่อยู่คนเดียวก็อึดอัด อ, อยู่กับหมู่ก็ไม่สบายใจ แต่ให้พูดธรรมะเรารู้หมดอออแล้วจริงๆเข้าใจในบริบทใ น, นที่พระเจ้าสอนธรรมะเพื่ออะไรนะอออเพื่อให้รู้จักการบริหารจัดการตัวเองคอนโทรลตัวเองในที่จะอยู่กับสภาพแวดล้อมตามเป็นจริงให้มันง่ายขึ้นออไม่ใช่มาเรียนเลยนี่สิ่งนี้ถูกสิ่งนี้ผิดออแล้วก็จะไปพยายามที่จะเปลี่ยนแปลงสรรพสิ่งให้ได้ดังใจเราบอกไม่ใช่อออ บริหารจัดการตัวเองนี่แหละที่จะอยู่ร่วมกับสภาวะเวทล้อมตามเป็นจริงให้มันได้ไม่ชอบก็จะอยู่แต่ถ้าอยู่จําเป็นต้องอยู่ก็ต้องอยู่ให้ได้แต่ถ้าเลือกได้ก็ไม่ต้องไปอยู่ในสิ่งที่ไม่ชอบอะ่ะแล้วในโลกนี้มันจะมีสักกี่ที่มันจะมีสักกี่คนอ่าที่จะได้ดังใจเราเป๊ะๆมมันไม่ได้หรอกอืมได้แต่ทําใจแหละอืม ถ้าไม่ทำใจก็ไทลีนอนแล้วก็ดื่มน้ำตามมากๆ ม, มันไม่ใช่เป็นแบบนั้นเพราะที่ทำงานเราไม่ใช่ที่อยู่พระอรหันต์ผัวเราเมียเราลูกเราไม่ใช่พระอรหันต์คนมีกิเลสด้กันนี่แหละเพราะฉะนั้นเตรียมรับสภาพเลยคนมีกิเลสมันก็ต้องมีมความเสี่ยงที่จะทำผิดอยู่แล้วไม่ว่าเขาหรือเรา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 นะแล้วก็หันมาบริหารในการตรัวเองถ้าจําเป็นต้องอยู่จะอยู่ยังไงจะอยู่ยังไงกับกลางวันจะอยู่ยังไงกับกลางคืนเนี่ยอจะอยู่ยังไงกับสภาวะที่ร้อนหนาวชื้นอืคือมันเป็นแบบนี้ไม่ว่าเราจะมาเกิดหรือไม่มาเกิดนะเพราะฉะนั้นถ้าไม่อยากเจออย่ามาเกิดอืม่า ถ้าไม่อยากเกิดกันนี่แหละมันจะต้องลงมาที่จะต้องอมาปฏิบัติ อ, อืปฏิบัติคื อ, อมาผลิตปัญญาที่จะแก้ความหลงให้ตัวเองหลงสําคัญนั่นหมายวัานี่คือเรานี่คือของของเราตั้งแต่ความรู้สึกว่านี่คือเราแล้วขยายออกมาผมขนเล็บฟันหนังเนี่ยรูปขันนี่ยว่าเป็นเราเป็นของของเรา ท, ทั้งที่เราไม่สามารถที่จะคอนโทรลมันได้ไม่ให้ผมงอกได้ไมหมละ่ะไม่ให้ผมล่วงได้ไม่ไม่ผมแตกปลายได้ไมหมละ่ะอไม่ให้ ปวดขาปวดแข้งเน่ยมันเป็นไปได้อะมีอะไรอยู่ในอำนาจเราอธิบุรุธเจ้าสอนคือให้มาดูตัวเองเนี่ยไหนคุณอยู่ตรงไห น, นเราอยู่ตรงไห น, นอ่า มีอะไรที่อยู่ในอํานาจเรามีอะไรที่เราบรหิหารจัดการมันได้นะมีแต่ความหลงเท่านั้นนะนะพี่ว่านี่คือเราในยึดเป็นจริงเป็นจังกับสิ่งที่ไม่เสถียรแปรปรวนเปลี่ยนแปลปองปปลอยู่ตลอดเวลาแล้วเราเฝ้าพยายามที่รักษาสิ่งที่ไม่เสถียรให้มันเสถียรความรู้สึกก็เลยไม่เสถียรขึ้นๆลงๆเดี๋ยวก็รักเดี๋ยวก็ชังอืมเดี๋ยวก็ดีใจเดี๋ยวก็เสียใจนะซึ่งมันเป็นแบบนี้อยู่แล้วซ่งมีแรงกระทําก็มีค่าสัมพิทธิ์ แรงเสียดทานน่อยากสงบก็ไม่อยากฟุง้งซ่านอยากเป็นปกติก็ปฏิเสธการเปลี่ยนแปลงแล้วก็เกิดเอนโทรปีความไม่เป็นระเบียบเกิดขึ้นว้าวุ่นในใจเนีเข้ามาดูตรงนี้ที่พระเจ้าสอนมาดูความรู้สึกมันแปรปวนเปลี่ยนแปลงขนาดไหนก็เข้าหาเหตุของมันทำไมมันต้องเป็นแบบนี้เพราะมันอยากกับไม่อยากตัหาแรงกระทำกับค่าสัมประสิทธิ์ เป็นแบบนั้น f เท่ากับ m a เรามานั่งเพื่อเข้าไปสู่ซิกมาเอไม่ได้ซิกมาเอเรากับศูนย์สมดุลสถิตไม่มีแรงกระทำก็ไม่มีความเร่งไม่มีงานก็ไม่มีพลังงานการอนุรักษ์พลังงานก็นั่นไงที่พุทธเจ้าสอนถ้าคุยเรื่องกฎแห่งกรรมก็ว่าล้าหลังคุยกฏนิวตันโอเคปะ่ะในการจะไปฟังฟังเอาอย่างเดียวฟังเราก็ได้สิ่งที่จามา แต่เป็นปัญญาของคนอื่นปัญญาของพระพุทธเจ้าเป็นปัญญาของพระละหนันนะจนกว่าที่เราจะต้องลงมือปฏิบัติด้วยนะเนอร์เลิร์ i n g ่งยองลงมือนั่งดูก็จะเห็นอะทีนี้สภาวะทำตามเป็นจริงที่เกิดขึ้นฟุ้งซ่านงงงงเขานอนเป็นเน็บเจ็บปวดสภาวะทุ ก, ทกขท์ที่มันจะเกิดขึ้นเนอร์ i ิง b ิ้งเบสเลิร์ิป วิเคราะห์ไขควรประเมินนั่นได้อีคิวลี่เบดเลอร์นิ่งงค้นหาความรูม้กับสภาวะทำตามเป็นจริงที่มันเกิดทำไมต้องเป็นแบบนี้นั่นมัน้องจะได้ประโยชน์มไม่ใจ่จำมาไปพ่นใส่กันเฉยเฉยไม่ได้ประโยชน์นั่นปัญญาคนอื่น ม, มนั่งดูตัวเองตัวเองคือความรู้สึกนึกคิด ที่พระเจ้าท่านสอนให้สติตามรู้จิตสติตามรู้จิตจิตคือธาตุรู้มันก็จะต้องออกรู้ตามสัญชาติยานุ ก, กิเลสในการแสวงหากินกรามเกียดและระแวงภัยนั่นเป็นธรรมชาติอู่แล้วสติความระลึกได้ระลึกได้ที่มีคุณภาพของสัตว์ชั้นสูงนะแต่เราก็ไม่รู้เพราะว่าัเป็นบาลี ก็เลยอุปมาอุปไมยพอได้เห็นภาพคือคือความรู้สึกจากพีค um อนทองคอเทกอ่ะอืมอืมก็เป็นความรู้สึกที่เรียกว่าสติเนี่ยความรู้สึกจากอะมิดาลาการปรุงแต่งของสมองส่วนนี้นที่สังการตัวปรุงแต่งเวลาถูกเล้าอืมมันก็จะปรุงไปตามสรญชาติยานของมันมในการสแสวงหากินการเกลียดและละแวงใคร แต่ทีนีพี่ฟอนท่อนอ ม, มีศักยภาพในการวิเคราะห์ตึกต้องไขควรยับยั้งแล้วค่อยตัดสินใจนะ ม, มันมีคุณภาพถึงไหมเหรอ นั่นมันคุณภาพมันยังไม่ถึงนะปัจจุบันท่านะนถึงให้มานั่งภาวนาคือกระบวนการอัพเดเวลขึ้นความถีข่ของทีฟอนทอนให้มันมีคุณภาพมันถึงจะได้รู้ทันรู้เท่าอะมิเลรานะการปรุงแต่งของสมองส่วนนี้ตามสัญชาตญาณนนัะ่นะอย่าไปคิดว่ า, าเราคนยังไปทำไม่ดี น, นู่นนั่นนี่เขาไม่มีสตินะไม่มีใครละเมอไปป้นหรอก ไปเล่นยาไปคขายาไปคอร์รัปชันมีใครละมือทำํำมันคิดมากกว่าเราอีกวางแผนซับซ้อนมากกว่าเราอีกมันจะใช้ส ม, มองส่วนไหนใชาไม่ใช้พีคอนทอนคอเทกอะัอมแล้วมันจะตามส่วนไหนถ้าไม่ตามส่วนอะมิ ล, ลาลาการปรุงแต่งในส ม, มองส่วนนี้ตามสัญชาตญาณในการสแสวงหากินกามเก็บและละแวกไยของสัตว์ที่ยังมีกามอยู่อืมสัตว์ชั้นสูงนี่ไง มจะต้องหันมาดูตัวเองดูนี่บริหารจัดการตัวเองยูตรงนี้พุโทโธพุโทโธนี่นแหละแต่คือพยายามที่อยู่กับความเป็นกลางไว้ก่อนไม่งั้นมันก็จะไปเดี๋ยวก็ไปอดีตเดี๋ยวก็ไปอนาคตเดี๋ยวก็ไปรักเดี๋ยวก็ไปช่งางวุ่นวายอยู่ตลอดอ่ะมันเป็น่านรู้จะให้มันอยู่เฉยๆเลยๆเล ย, เลยมันมันอยู่ไม่ได้ อต้องบริหารจัดการมันนะเหมือนว่าวอยู่บนฟ้าได้อืมถ้ามีเชือกเหนี่ยวลังมันก็จะอยู่บนฟ้าได้แต่แต่มันก็จะต้องไปซ้ายเดี๋ยวก็ไปขวาแต่ถ้ามีเชือกเหนี่ยวลังไปซ้ายเดี๋ยวก็กลับไปขวาเดี๋ยวก็กลับแต่ถ้าไม่มีเชือกเหนี่ยวลังมันก็ไปไม่รู้ที่หมายตกตามกระแสลมนี่เหมือนกันจิตเราถ้าไม่มีคําบริกรรมหรือไม่มีสิ่งรู้ยึดเหนี่ยวไว้นมันก็ไปตามกระแสอารมณ์ไม่รู้ที่หมายตก เดี๋ยวก็อดีตเดี๋ยวอนาคตเดี๋ยวก็รักเดี๋ ก, ก, ดก็ชังไปเรื่อยเฉยเห็นไหมพุทธยังไม่โทรก็ไปรอบลวกแล้วนะอืมท่านดูให้มายือ้อยู่ตรงนี้ก่อนฝึกไว้ฝืนไวนั่นเนี่ยได้เข้มแข็งอสติเข้มแข็งมันถึงจะรู้ทันรู้เท่าอืมิมนาลาเนีมีแรงกะระทำก็มีค่าสัมประสิทธิ์แรงเสียดทานอยากสงบก็ไม่อยากพุ่งสั้นแล้วก็เกิดเอนโทปีหระอบาบุญในใจนั่นว่ ของร้อนมันจะทำให้ความวาบุ่นมันเกิดโมเลกุลสสารกระเจิงก็ต้องร้อนแหละต้องของเย็นก็จะเป็นระเบียบก่าของร้อนแหละนี่ไงบทพิสูจน์ว่าคุณเย็นหรือคุณร้อนเหรอให้นั่งสามชั่วโมงนเงี้ยดูเฉยๆ ก, ก็ไม่มีความสุขแต่ทำงานก็บ่นว่าเหนื่อยอ พะพุทธเจ้าให้มานั่งอยู่วิเศษไม่ต้องคิดอะไรเอาพุทโธพุทโธนี่อยากขยับนันเดี๋ยวเสียพลังงานก็อยากเก็คิดแต่ที่นี่อยากจะดิ้นอยากจะขยับเพราะการเบี่ยงเบนมันเป็นทำทให้เราพอที่จะผ่อนคลายค่ามิวของสแตติกมันจะเยอะก็มิวเชนเนติมันนั่นอยู่ ถึงไปเอ็มเคกันเอ็มห้อยเอสมันจะทุกข <c oughs> ์อย่างเงี้ยฟังมาเยอะๆแล้วก็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 อ่ามาเตรียมตัวเองใ ห, ให้มีทักษะยับยั้งชั่งใจให้รู้จักผิดหวังเป็นให้รู้จักอดทนอดกัน้นไม่ใช่ตามใจตัวเองเอาแต่ตะ ก, กะมนุนตัวเองสิ่งนั้นถูกสิ่งนี้ผิดอืมไม่ใช่เราไม่ได้มาฝึกเป็น a อไอ่าไม่ใช่คอมที่จะรู้แต่ถูกกับผิดอืมมนุษย์สัตว์ชั้นสูงมันต้องรู้จักกลางอืมยุดหยุ่นย้อนอืนนนนอเทนะ อ้าวใครมีอะไรอีกคุยมากก็เครียดมีใครจะคุยหรือสอบถามไหมครับก็สามารถยกมือหรือสอบถามได้นะครับมันฟังมาเยอะแล้วไงใน ลองคุยฟังในๆๆที่นี้ที่ว่าฟังทำและปฏิบัติรำแล้วเป็นไงมั่งดูอย่าดูแต่อไอภาพลักษณ์ของตัวเองดูผลลัพธ์ด้วยอืตั้งแต่ไปวัดมานะ่ะอืไปทําบุญมาไปฟังธรรมมานะแล้วเป็นไงผลลัพธ์อ่ะอือย่ามาหลงในภาพลักษณ์ตัวเองว่าตัวเองเป็นคนใจบุญสุนทานชอบไปวัดนูน้นวัดนี่เป็นไงอยู่กับคนง่ายไม่เลยอื อยู่กับสบภาพแวดล้อมที่ซับซ้อนวุ่นไวายไง่ายไ้มล่ะอืมมีความสุขไมหมล่ะอยู่ยุยๆสามารถผลิตความสุขให้ตัวเองได้ไหมล่ะมันเป็นแบบนั้นกระบวนการคิดควิเคราะห์มีคุณภาพขนาดไหนอืมันต้องหันมาดูแบบนี้ดูไม่ใช่ว่าเออดีอยู่คนเดียวออะืมดีอยู่คนเดียวอ่าคุณนั้นลักษณะเหมือนผู้ปฏิบัติธรรมอืม ไปวัดนั้นไปวัดนี้ชอบทําบุญนู่นนั่นนี่แต่พอไปคุยด้วยนะคุณสมบัติยังไม่ใช่ผู้มีธรรมเพราะมันยังไม่มีสมบัติเป็นกลางอยู่กับคนอื่นก็ยากอะเหมือนจะเป็นทองอ่ะคุณลักษณะเหลืองอย่างนั้นแต่คุณสมบัติยังไม่ใช่มันยังไม่มีสมบัติเป็นกลางอะนมีปัญหากับธาตุอื่นอยู่แค่แค่สินแรนแ่เป็นแบบนั้น นี่เหมือนกันหันมาดูตัวเองดูผลลัพธ์ด้วย่เช็คดูตัวเองที่พบุราาุษเจ้าสวรไม่ได้ไปเช็คดูคนอื่นเรื่องคนอื่นคือเรื่องคนอื่นไม่ได้ตกนรกแทนมันหรอกมันจะทําอะไรกับเรื่องของมันมั <c ười> นจะเป็นแบบนั้นเนี่ก็คนฆ่าตัวตายไม่มีคนคิดคิดสั้นคิดยาวนั่นแหละคนคิดสั้นไม่ฆ่าตัวตายหรอกอช่างแม่งทึ <c> ้ <ười> คนฆ่าตัวตายทําไมต้องเป็นเราเราเป็นคนนั้นเราเป็นว่า พุ่นอยู่เร่อนย้ำคิดย้ำทำอยูน่นันเดี๋ยวไปโดดตึกตายกินยาตายบอกคิดสั้นไม่คิดสั้นแม่งคิดยาว <c oughs> แต่คนคิดสั้นไม่ค่าตัวตายช่างแม่งทึง่เครดอิดบีเขอบบ้างนั่นพุดโทไปเบียงเบนไปเบียงเบนอารมณ์ สูดลมหาย ใ, ใจเบี่ยงเบนทั้ครั้งสองครั้งพอสบายใจใหายใจก็พูดให้ยใกโทรปฏิบัติ ak, <S 2> <S 2> ได้ทุกที่ในที่ทํางานก็ได้แล้วแต่จะแบบมีเวลาเ อ, อื้อถ้าไม่มีไม่มีอะไรมาเกี่ยวเนื่องอืสูรลมหายใจพิงพนักเก้าอี้อยู่สูดลมหายใจเบี่ยงเบนความรู้สึกท้งครั้งสองครั้งพอสบายใจก็หายใจก็พูดให้ใจกโทรพูดโทรพูโทรนาทีสองนาทีสามนาทีก็แล้วแต่จะมีเวลาเอื้อ อยี๋ยวพุโทโธพุโทโธทั้งวันเด็ ก, ก็ไล่ออกคือก็ารพอดีอดืมพอดีกับเพศภาวะสถานะการละเทสะแต่เขาไล่ไปบวชก็ไม่ไปนั่นแหละ <c oughs> จะาทำเข่งขื่ในที่ทำงานไม่ใช่เนี่ยซ้ทํท ท, ที่บ้านฝึกไมเข้มเห้าหานเด็ดเดี่ยวเข้มแข็งลองดูทิตั้งนาฬิกาเลยสองชั่วโมงนี้เราจะไม่ขยับสามชั่วโมงนี้เราจะไม่ขยับนั่นความเข้มแข็งเห้าหานเด็ดเดี่ยวต่อสู้กับตัวเองง่วงเหงาหานอนก็จะฝืนราเป็นเน็บเจ็บปวดก็จะฝืนนั่นพิจารณาแยกแยะใครควรนั่นมันจะเป็นแบบนั้น แต่ทีนี้เวลาอยู่กับหมู่คณะ น, นี่อ่อนน้อมถ่อมตนเอือเ้อเฟื้อเกื้อกูลเอาใจเขามาใส่ใจเราเน่รู้จักยืดหยุ่นหันยวนในความเป็นตัวของตัวเองอแต่รู้จักยืดหยุ่นในการอยู่ร่วมกับผู้อื่นนั่นคนมีธรรมเหมือนน้ำมันไม่ได้ปฏิเสธภาชนะมันอยู่ได้หมด อ, อยู่ในขวดก็ได้ในแก้วก็ได้ในกระถนก็ได้แต่น้าก็คือน้ำ น, นั่น เหมือนทองแท้เน่ยทองคํามีสมบัติเป็นกลางมิ่ไหนก็ได้อืออย่อยู่ในตัวเรายังได้เลยนี่เลยเรามาเช็คดูสิเราปฏิบัติทรมาทาไมอยู่กับคนยากนั่นอือ ยังมีปัญหากับทาสอื่นก็ไม่ใ่ท้องแท้แยังมีปัญหากับคนอื่นก็ยังไม่ผู้ไม่ใช่ผู้มีธรรมแท้แต่คุณลักษณะเหมือนผู้ปฏิบัติธรรมอาศัยสถิติการเข้าวัดกับการทําบุญอืภาพลักษณ์ดูดีแต่ผลลัพธ์ยังไม่ใช่เช็คดูตัวเองอย่างนี้ถูกปฏิบัติธรรมมีต้องมาให้อาจารย์โน้ตคำมาแล้วมาสอบอารมณ์อย่างกับแฟนขับหมอจิตเวชไม่ใช่เรื่อง ใครต้องมาสอบเราเราต้องสอบเราเราต้องรู้ดิพุท ธ, ธพุทโธผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเราต้องรู้เรามีคนอื่นต้องมารู้เราไม่ใช่โอเคนะยังกิติด ม, มาทีนี้ถามจะได้เข้าประเด็นจะได้ตอบได้ คุยยาวๆไปก็ไม่รู้ใครอะไรมั่งเวลาพวกเราก็มีน้อยด้วยขอ่าชัดอ่จริงห้องก็ยังดีพานั่งสัก3สามทุ่มมังจะได้รู้ชอบปฏิบัติธรรมอ่นี่ชอบฟังธรรมกันตั้งอะไรก็ประมวลข่าวบทสรุปไปประยุกต์ใช้ดูผลลัพธ์หนักดูอยู่ด้วยดูด้วยนะอืมอืม เราใครอีกอะใครมีอะไรข้างหลัง่ะมมไม่มีอะไรคุยแล้วเรา <c oughs> เอาปกติเราไปเราก็มีแต่จะพานั่งเราไม่ชอบมันนั่นมากคุยไปก็แค่นั้นรู้ถึงนิพพานก็มีประโยชน์หรอกไม่รู้จริงหรือเปล่าเดยกก็ทะเลาะ ก, กันอีก <c oughs> มันเรื่อยเฉย หนักๆนั่งเข้ากับบ้าบอคอแตกไปหาเวทมนตลกระถาสะดาะเคาะต่อยุเครื่องลัางขงัขงไปหมดบอกไม่ใช่ศา ส, สนาพุทธแอคชั่นกับเลียแอคชั่นอ่ะอืมอืมทำไงได้อย่างงั้นพระพุทธเจ้าเป็นเพียงผู้สอนพระธรรมคือแนวทางภาริยะสูงคือแรงจูงใจแต่จะไปถึงจุดหมายปลายทางได้ไหมเราคือผู้ลิกขิตชีวิตเราท่านให้มานั่งภาวนาเพื่อสะสมพลังงานอ่า ระสมพลังงานออกจากความสงบมีกำลังเหมือนเราพักนอนพักแล้วได้กำลังแล้วตื่นมาก็จะไปทำงานก็ค่อยเรียบเรียงจะไปทำงานอะไรไอ้ที่จะสำคัญมากน้อยเร่งด่วนอะไรก็เรียบเรียงมาที่จะเหมือนกันบบกินข้าว ก, าก็เกือเพื่อให้มันมีกำลังกินข้าวแล้วมีแรงแ้วก็ไปทำงานจะทำงานอะไรกันนี่ไง แตเหมือนกันน่ะตอนที่มันเหนื่อยมันล้าอยู่อย่างเงี้ยอยากจะไปทำงานก็คงไม่มีแรงจิตที่กระสับกระใสวุ่นวายอยู่ทังนั้นไงทำความสงบทำความสงบให้มันเกิดขึ้นกรรมาฐานกรรมคือการกระทาฐานคือที่ตั้งที่ตั้งแห่งการกระทานะไปอยู่ที่นี่ไงคมบริกรรมพุทโธหรือพิจารณาผมคนเล็บฟันหนังอะไรก็ได้เพื่อจะดึงจิต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 มันก็ได้แค่นั้นนะกับคนที่สามารถเชื่อมตัวเองกับดาวเทียมได้นะเนี่ยมันรู้ลึกกว่ากันนะั้น่ะดู g o o g l e แมปสินะเนดูแผนที่ประเทศไทยอยู่ไหนน่แล้วประเทศอกรุงเทพอยู่ไหนของบของประเทศไทยแล้วตึกนี่ของเราเนี่อยู่ตรงไหนเนี่ยเทีโอทีอืมอยู่ไหนอืมลองขยายดูสินะนั่น ครูบาอาจารย์ท่านพยายามที่จะทําความสงบให้เกิดขึ้นออยู่ในเลเวลที่มันจะใช้ประโยชน์ได้นั่นอก็เหมือนที่นั่งพุทโธพุทโธอยู่นี่ก็เหมือนกําลังคิดทําดาวเทียมและพยายามที่จะส่งดาวเทียมออืไปอยู่ในชั้นที่มันโอเคเนือเทอร์โมสเฟียร์ผ่านเส้นคารอนไล์ก็นิ่งไงนั่งให้มันผ่านเวทนาเหนือเวทนานหนึ่งให้มันอยู่ในส่วนอ อ, อ, อชั้นบรรยากาศที่มันเวิร์ก ที่จะใช้งานได้ก็เหมือนเขาส่งดาวเทียมไปในชั้นเทนะอร์โมสเฟียร์น่ะอ่ามันจะใช้งานได้ดีอเป็นแบบนั้นอ่แต่ทีนี้ของเรามันยังใช้ไม่ได้ตร <c oughs> งนี้แต่ขนาดเครื่องบิน่เขายังอยู่ในสตาโตสเฟียรนะ์น่ะอาพออยู่มันจะต้องเหนือกับเทอร์โมสเฟียร์นี่ที่ความวาวุ่นมันเยอะนี่ ของเราอยู่ในนี้มันยังไม่พออ่าเป็นแบบนั้นแล้วทีนีก้ก็พอนั่งพุทโธพุทโธก็อยากพิจารณาโน่นนั่นนี่อย่าเพิ่งพิจารณาอย่าช่วงเครื่องบินเทคออฟขาให้มึงรักเทมขัดก่อนไม่ใช่หรือนะ อยู่เฉยๆนั่นมึงอย่าพลาดอืมมันตายในระดับเพดานบินได้หรือเออนั่นอเขาให้ปวดเข็มขัดเข้าห้องนงหงน้องน้ำเสิร์ฟกาแฟกันนะนี่เหมือนกันพุทธวไว้มึงอย่าคิดเยอย่าพึ่งมีปัจสนงสนาบ้าบอลเด้อนะ จ, จะคิดที่จะหยุดคิดนะ่นได้แต่อย่าไปวิปัจสนงธนาบอก ไ, ไม่ใช่ยังไม่ถึงเหมือนเด็กอนุบาลพูดเรื่องวิญญาณิพนธ์มีวุ ธ, ธิภาวะแบบนั้นเหรอดูมึงอย่าคิดได้แบบนั้นหมอเรียนอณนนะุตมีไปเป็นอัลหันก่อนมึงเลยเหรือ ลองคิดเือให้มันความสงบเป็นฐานรองรับก่อนนะ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 ยืนยันตัวเองไม่ใช่เรื่องนะ่ะอสภาว่าอิ่มนี่คืออิ่มแล้วนี่นั่นเราก็เลือกเองไม่ใช่บางช้อนเองไม่ใช่เลือดต้องให้ใครมายืนยันนะมินมีความสงสัยไหม ว, ว, วิจิจิจสาอาลังเล ส, สงสัยในสภาว่าอิ่มของตัวเองไหมหรอถ้ามันอิ่มจริงนั่น นี่เหมือนกันเนยถ้าอิ่มในอารมณ์แล้วมันไม่มีอดีตมันไม่มีอนาคตมันไม่มีรักไม่มีชังยิ่งไงสมดุลสถิตเนี่ยซิม่าเอฟเท่กับศูนย์ก็นี่ไงให้มันเห็นแบบนั้นสิจะไปถามใครหรอถ้าวิตกกิจฉาอยู่กันนิวรณ์อยู่นี่มันก็ยังไม่ได้สงบอยู่นี่ถ้าอาวกาศมันจะแรงนุ่งท่วงจะมีปัญหาเรือนั้น เดี๋ยถ้าอยู่อยู่ในชั้นบรรยากาศมันก็หนีไม่พ้นแรงน้ําท่วงของโลกกันนี่ไงไต้องเป็นพยานยืนดันตัวเองเอย่างนั้นแต่อิ่มในอารมณ์มันก็ไม่มีอารมณ์อื่นแล้วเอกกตอารมเอกกตะจิตจิตเดียวอารมณ์เดียวอ๋อเน่ยให้มันไปเห็นตรงนั้นก่อนนะมันถึงจะไม่มีวิจิกิจฉาลังเลสงสัยมันถึงจะไม่มีศีลับประประมาทมงคลขื่นข่าวมันถึงจะไม่มีสักยะทิฏฐิความเห็นเดิมแต่เริ่มที่เขาว่านู่นนั่นนี่นั่น เป็นพยานยาตัวเองเนี่ยที่พระเจ้า ว, ว่าฮะแต่เห็นข้างในแล้วก็โอเคละทีนี้มันก็จะเริ่มเข้าใจข้างนอกฮะตั้งแต่ฟุ้งซ่านเป็นแบบนี้ฮะเรียตั้งแต่เงืง่วงเหงาหาวนอนเป็นแบบนี้เป็นเน็บเจ็บปวดเป็นแบบนี้นั่น มันก็จะเห็นเห็นความไม่เที่ยงไม่เสถียรการเกิดขึ้นการตั้งอยู่แล้วก็ดับไปที่พระเจ้าสวดที่ไปฟั ง, งกันธรรมจักจักคุงอุทาปาทิยานังอุทาปาทิปัญญาอุทาปาทิวิจาราอุทาปาทินะี่ยเห็นไหมเกิดขึ้นแล้วแกเราเกิดขึ้นแล้วแกเราที่ท่านยืนยันตัวเองในเทศกันแรกของพระองค์นี่ยจักคุงอุทาปาทิดวงตาเน่ยดวงตาแห่งธรรมมาเกิดขึ้นแล้วแกเราอ่านี่เหมือนกันเนะ่ยนั่งลงไปก็เห็นไหมเนี่ยฟุ้งซ่านเกิดขึ้นแล้วแกเราง่วงเหงาเข้านอนเกิดขึ้นแล้วแกเราเป็นเหน็บเจ็บปวดเกิดขึ้น แกเราแกนี่งไงทุกครั้งอริยสัจจังให้มันเห็นแบบนั้นเนอะเหรอจะไม่ลงมือทำไม่เห็นนี่น่ะมีแต่เขาว่าเขาว่านันฟังมันจนหูเป็นรูแล้วทำมาจากคนเสวดกเสวอกจนตาเป็นรูนั่น mm. จริงจริ ง, รงกันแรกพุทธเจ้าจะยืนยันตัวเองขององค์ท่านนั่นนะ mm. ่ะเหรอเป็นแบบนั้นยไม่เห็น <c oughs> มันเห็นแล้วมันก็ไม่สงสัยอ่นะถ้าไม่สงสัยอ่ะมันก็ไม่มีแล้วอุทตจากักรกุจกจักรฟุงซ่านลาคาญใจไม่มีมศิลปตปะพมาท์เขาว่านู่นนั่นนี่นะมันก็รู้มันก็ตื่นะมันก็เบื่อบ้านอยู่ในใจนะ่นะเหมือนเรากินข้าวอิ่มนะ่นะอืมครับสงสัยความอิ่มไหมหรอนะมันไม่สงสัยนะนะแล้วเราจะไปกินข้าวตอนไหนถ้าไม่กินตอนหิวเนี่ยออ การกินข้าวเด็ก็คือกระ บ, บวนการแก้ทุกข์จากความหิวนั่นแล้วท่านมาให้นั่งเพื่ออะไรเนี่ยกับ เ, เพื่อให้มันเห็นทุกข์นิดเดเออแต่ถ้ามันไม่ทุกข์เลยจะไปหาสมุทัยคือเหตุของทุกข์ตรงไหนอะเออเดี๋ยวนี้อิริบดเบียงเบนอยู่ตลอดตั้งแต่เช้ายันค่ำตั้งแต่อยู่ในท้องเนี่ยเด็กมันดิ้นแล้วเห็นไหมล่ะการเบียงเบนการเคลื่อนไหว เบี่ยงเบนอิเลยบทคือคกลไกที่จะปกป้องตัวเองของสิ่งมีชีวิตค่ามิวมันน้อยกว่าสเตติกแค่นี้งไงค่าสัมบัณฑิตของเคมนติมันก็จะมันั่นกว่ามันก็ถึงต้องเบี่ยงเบนอยู่ตลอดเดี๋ยวก็ลุกเดี๋ยวก็นั่งเดี๋ยวก็เดินอยู่นี่เพราะฉะนั้ น, นที่เราเปลียนอิรลยบทอยู่ตลอดเพราะเราอยู่เฉยๆไม่ได้มันทุบท่านถึงบอกอย่าไปละเมิดกันอย่าไปเบียดเบียนกันนั่นเพราะทุกคนนี่น นอนทับทุกข์นั่งทับทุกข์ยืนทับทุกข์อยู่แล้วอยู่เฉยๆก็ทุกข์อยู่แล้วเราจะไปซ้ําเติมทุกข์ให้กันทําไมหันมาดูตัวเองแบบนั้นถึงจะทุกข์มันเป็นการภาวนา่ะภาวนาไปว่าเจริญเจริญคือจิตนี่แหละเจริญจิตคือท่านรู้น่ะ ่ท่านให้มาดูดูความรู้สึกตัวเองเอฮิปัสิโกท่านยังมาดูทำเถอยมาดูความรู้สึกตัวเองอโยนิโสมานสิการพิจารณาให้แยบใครกับความรู้สึกที่เกิดขึ้นอชอบไม่ชอบรักหรือชังนี่ท่านมาดูทําไมมันต้องรัก แล้วมันนานมันอยู่กับเรานานไมล่ะสภาวะรักนี่สภาวะชังนี่มันอยู่กับเรานานแค่ไหนล่ะมันเที่ยงเลยยึดได้เลยอะไรก็ประมาณนี้นั่นคือการยูนิโสโอมันาสิการคือพิจารณาให้แยบไข่มไม่ใช่ไปท่องยนะืดเฉยนั่นคือสมการที่ท่านพูดให้ฟังแล้วก็ไปเตียวนั่งมันต้งจะเห็นเดี๋ยวนี้เราแปลแต่บาลีหลักการยืดเฉยนั่งลงไปมันตึงจะเห็นสภาวะนั่นคืออธัธยคือความหมาย นะเป็นแบบนั้นนั่งเต็มห้องนี่ลองสักสามชั่วโมงดิก็จะได้เข้าใจละอัตยาตโนนาถวตนลเลไปที่พึ่งแห่งตนนั่งเต็มห้องก็แบ่งเบาความทุกข์เราไม่ได้ด้วยนะทามันไม่สงบปวดแสบปวดร้อนทุรนทุไลใครช่วยใครได้ก็นี่ไงอัตยาตโนนาถวนั่ตนตุลเลไปที่พึ่งแห่งตนอืมสภาวะนก่ ค, ค, ค, ค, ค, ค, คือความหมายเลย วิรเยธุกามาเจติคนจะร่วงทุกได้เพราะความเพียรมันจะต้องเพียรขันตีปรมังตะโปติิขาขันติคือตะปะธรรมที่จะแผดเผากิเลสได้นอกนั้นไม่มีเลยก็นี่งไงเนาะปฏิบัติทมสะดวกมันจะบัญญัติไว้ทำไมขันติอืมอืมโอเคปะ่ะอาจารย์ขอนำเรียนถามอาจารย์ว่าการแยกแยะระหว่าง ปัญญากับสัญญานี่จิตต้องมีพลังพอสมควรไหมครับหรือว่ามีวิธีการไหนที่จะแยกแยะหรือว่าเราจะรู้สึกตัวไหมครับว่าอันไหนคือปัญญาอันไหนคือสัญญาโทรศัพท์มีทุกแอปอะถ้าไม่มีแบตเอาตัวไหนไปประมวลอืบางทีจะต้องมีแบตมีพลังงานไม่ใช่หรือเหรอเดีงยวนี้ไงมันไม่มีมันไม่มีกําลังถึงอะย่างหมออย่างงี้เนี่ยเหมอจะไปเรียนเฉพาะทางเลยมันต้องผ่าน6กปีก่อนไหมใช่หรอ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 มันก็จะต้องมีวุฒิภาวะที่จะสมควระอืมในการที่อยาคิดวิเคราะห์ไขขวนแยกแยะนั่นต้องเป็นแบบนั้นอืไม่ใช่ปรับมาเอาเลยอย่างเงี้ยพิจารณาเอาดูสิแล้วก็ลองนั่งท่านให้มันนั่งดูทําไมล่ะทีนี้อาใครบอกชอบวิปัสสนาในพิจารณาแยกแยะใครห้ามไม่ให้พิจารณาจะบอกโอสถธรรมไม่ให้เกิดปัญญาอย่างเงี้ยอื ใครห้ามไม่มึงคิดเราต้องนั่งที่สามชั่วโมงมึงจะอยู่ยังไงเจ้าตัวรู้ไปไว้ไหนทีนี้ถ้ามีพิจารณานอี้ต้องพิจารณาทั้งนั้นแหละไม่มีปัญญามันจะสงบได้หรือนะเอมันจะเป็นแบบนั้นถ้าไม่มีความสงบเป็นฐานรองรับมันจะพิิพจารณาที่สร้างปัญญารู้รอบในกองสังขารได้เลยมันก็ต้องมีปัญญาเป็นเรเวลอยู่ออืยเรเวล ก็เหมือนเหมือนนาฬิกาใยเห็นไหยนะเห็นชอบคิดชอบทําการงานชอบเ <S an> พียนชอบสตีชอบแล้วก็มาสมาธิชอบคอดกลางอ่ะแล้วก็ทีนี้ก็จะบานออกไปนั่นคือผลโซดาสกิธาอนาคาอลหันการเรียความรู้สึกอย่า เ, เหมือนชั้นบรรยากาศมันไม่มีป้ายบอกหรอกเธอโพสเฟียตาโวเฟียเอกโซเฟียตโอเคอืมแต่ความนั้นน้นของอากาศเป็นตัวแปร ก็นี่ไงความหนานแน่นของอารมณ์ความหนานแน่นของความสําคัญมันม่นหมายน่ะอืมากน้อยแค่ไหนโสดาส ก, กิทาธนาคารนะนั่น่าเป็นแบบนั้นคือ ม, มันไม่มีป้ายบอกแต่มันจะเป็นเพียงแค่ความรู้สึกใช่แต่ความหนานแน่นของอารมณ์ความสําคัญมันมม่นหมายมึงก็อย่าบอ ก, แบบ ม, กมันเบาบางแล้วทีน่นี่อย่างโซดาแต่ท่านก็ไม่เป็นผุ้ดูชนแล้วท่มาม่ได้สงสัยแล้วนี่ ในสภาพแวดล้อมนี่ท่านไม่มีแรงความลังเลสงสัยท่านไม่มีศีรับประาปามาตมงคลตื่นเข่าวเขาว่านู่นว่านี่ะแล้วท่านไม่มีมความรู้สึกเดิมสักกายทิฏฐิความเห็นเดิมแต่เริ่มความเห็นของท่านก็จะเป็นอยู่ในมรรคแล้วเป็นสัมมาทิฏฐิเห็นชอบตามที่บุรุเจ้าว่าอืนั่นไงอืมท่านก็อานหารของท่านนะเป็นแบบนั้น แต่ของเราก็ยังสงสัยทั้งทั้งที่ทรู้ก็นี่ไงอวิชชาปัจิยาสังขาระไม่มีใครไม่รู้มันก็รู้ทั้งนั้นแต่มันไม่ได้รู้จริงตามเป็นจริงอะก็เหมือนดาวเคราะห์ดวงนี้ตรงนี้สว่างอีกมุมนึงต้องมืดอืมนะเพราะมันไม่ใช่แสงจากตัวมันเองอไงแสงมันมาจากดาวเลือกเหมือนกันน่ยมันไม่ได้ปัญญาเรารู้ทั้งรู้แต่เราก็สงสัยอยู่ลึกๆอะ นั in flow, in os, creator, ่งยัางขากูอย okay. mm. uh ู huh. oh, okay. ่น hmm. ี่ในธาตุสี่ดินน้ำลมไฟในคาร์บอนไนโดรเจนออกซิเจนไนโตรเจนแคลเซียมขากูอยู่ดีไม่ใช่หรือเป็นแบบนั้นโอเคไหมมีสอบถามไหมครับคุยได้เลยครับคุยได้เลยครับก็มีความเข้าใจในระดับหนึ่งนะครับ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 เราพานั่งเลยห้าห้ามงเย็นหรือหกมงเย็นแล้วก็พานั่งสนะชั่วโมงหรนะือเราค่อยๆเราไม่วัดเย็นแล้ว เ, เราเป็นวัดดึกอะ่ะบางทีก็สี่ทุ่มก็มีแต่เราก็แบบไม่ไหวครูยาวเราไฟติ้งเป็นมวย <c oughs> ไม่ได้มวยลีลา <c oughs> เว็นแบบนั้นขนะที่ร่างกายมันยังสดชื่นอยู่อย่างเงี้ยก็นั่งไปเลยอย่างเงี้ย และจากนั้นก็ค่อยมาทำวัดสวดมนต์ระ ล, ลึกถึงบุญคุณของพระพุทธธรรมพระสงค์เรารู้จักบาปบุญคุณโทษ ด, ดีชั่วทุกวันนี้ก็ได้รับอิทธิพลมาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์บอกสอนก็คือเอาคำสอนพระเจ้ามาถ่ายทอดต่ อ, ต อ, ต อ, ตอกันมาไงอโอเคไหมอืมอืมจะไปอ่าเขาบอกว่าดวงเจ็ดดวงเจ็ดคือแก้วดวงใสๆ จุดคือท่านรู้อ่า ม, มันไม่มีแ น, นเหร อ, อ ม, มันเป็นพลังงานพลัางงาน อันนั้นมันก็ว่าปลายเป็นตูวเป็นตาก็ให้โ <c oughs> ยมค่อยตามไปนะพยายามที่เข้าไปสู่ความสงบให้ ไ, ได้ <c oughs> แล้วก็จะรู้เองไม่งั้นเราก็จะเมมสัญญานี้ไว้แล้วเราก็จะไปปรุงเลยทีนี้จากสัญญาเป็นแบบนี้แล้วก็พยายามปรุงขึ้นไปนจากจินตนาการก็มาเป็นจินตภาพแลืมนะเราเห็นแต่คนอื่นไม่เห็นด้วยก็เลยเป็นวิปลาสคือคาดเคลื่อนจากความเป็นจริง แค่ความรู้สึก it just the feeling <c oughs> แค่ความรู้สึกที่ผ่านมาแล้วก็ผ่านไปืม <c oughs> ่ไปใส่ใจมันในเรื่องรูปรักษ์นู่นนั่นนะี่ทฉันให้อยู่กับคำบรากรรมพุโทโธพุโทโธไว้คือเอาตัวรู้มาฝึกที่จะอยู่กับปัจจุบันหนีจากแรงกระทำมันจะได้ไม่ต้องไปยุ่งกับค่าสัมปสิทธิ์เดี๋ยวนี้ท่านนั่งปุ๊บก็อยากจะสงบ อยากจะเห็นเห็นไหมมันก็มีไม่อยากแหละที่นี่อมันจะต้านกันอยู่ภ า, าภาวะตันหากับวิภาวะตันหาอยากสงบก็ไม่อยากฟานะุ้งซ่านนั่นอยากเป็นปกติกับปฏิเสธการเปลี่ยนแปลงแหะแรงก็ทํากับข้าสัมปสิทธิ์เราก็เกิดอุอทาจักกุกจักฟุ้ฟงซ่านรำคารใจกับเอนโทกปีนะความไม่เป็นระเบียวบว้าวุ่นในใจนะอืเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปสนใจนจะสงบไม่สงบอะไรไม่เอาเอาแค่พุทโธพุทโธนี่ท่านนีนยอ่า คือทักษะเนี่ยเป็นแท็กติกที่จะเบียนเบนความรู้สึกของตัวเองที่พระเจ้าท่านสอนท่านดูลมอัศสาสัปัสสาสัปเนั้นเพื่อจะสร้างความสงบที่แท้จริงให้คือบ้านที่แท้จริงอ่นะให้มีบ้านที่แท้จริงก่อนนะก็เหมือนเครื่องบินมันจะต้องมีสนามบินด้วยถ้าพิสัยทำการไกลเขาจะต้องมีเรือบรรทุกเครื่องบิน แต่บินอยู่ตลอดมันก็ไม่ได้มันก็จะต้องลงพักลงจอดมัง่งนี่เหมือนกันถ้าไม่มีบ้านที่แท้จริงคือความสงบเป็นฐานรองรับเหะ อ, อมันก็ฟุง้งอย่างบ้าบาอกคแต ก, กเหไม่ใช่เรื่องเดี๋ยวนี้พวกเราก็เหมือนโฮมเลดอะพวกไร้บ้านยังไม่มีความสงบ <c oughs> คิดอยู่ตลอดอไงเป็นแบบนั้น ท่านถือพยายามให้ทําความสงบให้เกิดขึ้นนะในกรรมฐานฐานคือคือที่ตั้งกรรมคือการกระทําที่ตั้งในการกระทา อ, อยู่พุทธโตพุทธโตนี่นะเพื่อได้สร้างบ้านที่แท้จริงคือความสงบให้อพอเห็นได้ความสงบโอเคมันมีกําลังออกมาแล้วค่อยมาพิจารณาพิจารณาที่จะแยกแยะทําลายตัวเองเนี่ยแหละทำลายตัวเองถ้ามัน เ, เข้า ส, สู่ความสงบอืม่ามันจะมีกําลังในแง่ประสานวิญญาณมันต้องไปอยู่ในระดับหนุดนะ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 เราไม่ไหว <c oughs> เราออกมาอยาขึ้นความถี่ของสมองมันก้าไปสู่ระดับอัลฟาในระดับนั่นแกมมามันนึงจะสร้างปัญญาที่จะเหนือมนุษย์ได้ นของเราทุกวันกับเบต้าแค่นั้นแหละที่ดึงข้อมูลมาวิเคราะห์ตรึกต้องให้ควรมาปฏิบัติพุทโธพุทโธไปกับลืมความทุกข์ลืมพุทโธไปบางครั้งบางคราวก็ระดับอัลฟาแหละเนี่ยคณิกะนั่นแี่ยแต่ถ้าลงลึกกว่านั้นได้สามารถดึงข้อมูลมาวิเคราะห์ได้แต่ไม่ตอบสนองสิ่งเราอ่าอืมก็ระดับดอือุปจารสมาธิคือจิตจ้อนในแง่ประสาทวิทยาก็ระดับทีต้านะอืม ตรงนี้มันจะใช้งานได้ก็เหมือนอดาวเทียมที่ไปอยู่ในระดับเทอร์โมสเฟียร์เนี่ยนะดูผลงานของอดาวเทียมสิที่นี่ดู Google m a p ที่ที่นี่ลงขยายดูสินั่นนะคุบาอาจารย์ท่านอยู่ในเลเวลนี้ท่านถึงจะมาพิจารณาผมคนเล็บฟันหนังแต่ปอดม้ําใจท่านถึงขยายดูได้อย่างเข่นก็ดูชิ้นเล็กๆอย่างเงี้ยเนี่ย เป็นนิมิตอุกขาดนิมิตเกิดขึ้นท่านจะกำหนดให้มันใหญ่ขึ้นกำหนดให้มันหายให้มันใหญ่ขึ้นเป็นบ้านเป็นตึกใหญ่ขึ้นเป็นถ้มที่ท่านเดินอยู่ในโพรงจนกระดูกรและท่านพิจารณาแยกแยะอ๋อมันก็แค่นี้เองอถ้าเห็นหายสงสัยมันก็วางถ้าจิตวางแล้วถามว่ามันจะมีอะไรยึดถ้าจิตไม่ยึดมันจะมีอะไรทุก ก็ลองขยายดูใน g o o g l e แบบกันนั่นเลยแต่ของเราเดียวนี้มันขยายอะไรได้ไม่ได้จำมาเฉยๆนั่นไงเป็นปัญญาในสัญญาของคุณหมอทั้งหลายก็คือปัญญาในสัญญาถ้าพูดมันก็นรู้หมดแล้วก็รักษาคนไข้ได้แต่เป็นปัญญาในสัญญารู้ทั้งรู้แต่ก็ไม่เบื่อหน่ายใครกาหนดแต่ของครูบาอาจารย์เป็นปัญญาที่รู้เท่าทัสัญญา เพราะกันนั้นเหการสงบของท่านคือสงบจากสัญญาจากสังขารจากเวทนาอืมอ่ะไม่เป็นแบบนั้นคือพีฟอนท่านมีคุณภาพสามารถเหตุผลมาควบคุมอมิตาลาสามารถหาเหตุผลมาควบคุมฮิปโปแคมปัสได้อืมไอพวกนั้นก็เลยมีแต่รู้หนึ่งเดียวไม่มีสัญญาไม่มีสังขารตัวปรุงแต่งกันเลยเป็นมักสมังคีนั่น คือรู้อยู่หนึ่งเดียวอืมไม่สงสัยเลยเพราะมีเหตุผลไปควบคุไมไอ้พวกนั้นแต่สงสัยอะไรอืนั่นภาวนานในทีนี้มาอยู่กับโลกมันก็อยู่ได้รู้จักสมมุติเคารพสมมุติแต่ไม่ติดในสมมุติออืืมมสมมุตใิในก้อในคอในคอก็เคารพสมมติดูแลไปอ า, าอาหารอาหารการกินเครื่องนุ่งห่มยารักษาโรคแต่ไม่ติดในสมมติ มันก็ต้องป่วยได้มันเจ็บไข้ได้ป่วยได้เดี๋ยวมันก็ตายก็แค่นั้นเองไม่ได้มันจะสนใจอยู่ตรงนั้นเ <c oughs> พราะจิตผู้รู้รีคือตัวไปร่างกายไม่เผาก็ฝังคาร์บอนในเราเจนนอคิเจนในตัวเจนมันจะเฟนมันก็คืนสู่ธรรมชาติเป็นแบบ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 สลายพันธะในเคมีลดละอุปทานความสำคัญมั่นหมายความยึดมั่นถือมั่นในศาสะนาะขออนุญาตค่ะการที่เราทำสมาธิแล้วเราเห็นเกิดดับการที่ที่เราเรามีสิ่งอะไรมากระพวกเราแล้วเราสามารถที่จะระงับได้เลยเช่นโกรธเราก็ ที่ออไม่ต้องโกรเดี๋ยวมันก็หายไปอะไรอย่างเงี้ยมันมันเหมือนเรืันวเป็นยังไงอะคะถ้ามันมันมันมันร่างกายเข้มแข็งไงเห็นไหมเราเดี๋ยวนี้เราอยู่เราอยู่ท่ามกลางเชื้อโรคนั่นถามว่ามีปัญหากับเชื้อโรคไหมรอถ้าคุณเข้มแข็งคุณก็ไม่มีปัญหากับเชื้อโรคอะ แต่แต่คุณอ่อนแอคุณก็สามวันดีสี่วันไข่อ่ะเพราะว่าไม่ว่าคุณจะเข้มแข็งหรืออ่อนเนี่ยคุณก็อยู่ท่ามกลางเชื้อโลคเหมือนกันเม็ดเลือดขาวมีหน้าที่คอยควบคุมและสลายเชื้อแปลกปอมให้ที่เข้าสู่ร่างกายจะจะเป็นแบบนั้นถามว่าเม็ดเลือดขาวมีคุณภาพไหมหระแต่เหมือนกันสติมีหน้าที่คอยควบคุมและสลายอารมณ์ให้ถ้าสติเข้มแข็งมันก็อยู่กับสิ่งเลาได้ดีอ่ะมันไม่ได้มีปัญหาหรอกอื มันจะเป็นแบบนั้นเราไม่ต้องไปจำทฤษฎีมากอะ่ะมันเป็นแบบนั้นนะรู้ระวงังรู้ระวังเลยให้มันเป็นธรรมชาติมันไม่ได้มีปัญหาหรอกความต่ำอิเล็กโตรเดนมิกแสงกับสาสารมีปฏิสัมพันธ์กันแบบไห น, นการกระเจิงของอิเล็กตรอนที่มันแรก เปลี่ยนอะโฟตอนแล้วมันก็กระเจิงออกนี่ไงพระุทธเจ้าพูดมาสองมัน่ารักกว่าปีเลยตากระทบรูปหูกระทบเสียงจมูกได้กลิ่นดินสมบรณรู้แล้วก็ว่างแค่กันแค่ความรู้สึกผ่านมาแล้วก็ผ่านไปนะนั่นของไฟแมนเดแกรมก็นี่ไงออืการกระเจิงของอิเล็กตรอนมาแรกเปลี่ยนโฟตอนมันก็กระเจิงออกคือมันเป็นแบบนั้นมาพยานนั้นจะเกิดดับเกิดดับขึ้นมันเป็นแบบนี้อยู่แล้วแต่ถ้าเข้าใจตามเป็นจริงไม่เครียดหรอกแต่เปติดทฤษฎีกันเริ่มเลยนั่นเรียนอะไรกัน ดูตัวเองเนะถ้าเข้าใจจริงมันก็ไม่สงสยัยะถ้า ส, ส, าาายยาสงสัยก็จำมาเวยๆเรามาปฏิบัติเราออกกำลังอะไรก็เพื่อให้ร่างกายเข้มแข็งถ้าร่างกายเข้มแข็งคุณก็อยู่กับเชื้อโรคได้ดีเพราะโลกนี้จะไม่ให้มีเชื้อโรคเป็นไปไม่ได้มีทางเดียวคือคุณจะต้องบริหารจัดการตัวเองให้เข้มแข็งเพื่อที่จะอยู่ร่วมกับมันได้ มีภูมิต้านทานที่ดีร่างกายเข้มแข็งมาปฏิบัติธรรมกบเพื่อที่จะสร้างสติให้เข้มแข็งสร้างสติเข้มแข็งพวกคุณก็ก็อยู่กับสังคมซับซ้อนวุ่นวายได้ง่ายฮะ <c oughs> จะไม่ให้เห็นรูปจะไม่ให้ได้ยินเสียงจะไม่ให้ได้กินนู่นนั่นนี่เป็นไปไม่ได้อยู่แล้วมันต้องเจออยู่แล้ว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 <c oughs> นี่แหละมาเพิ่มล้อมขยายแหลมม <c oughs> ันจะได้ประมวลผลเร็วสติเข้มแข็งอืมขยายล้อมเมื่ไปเก็บข้อมูลไว้เยอะๆเวลาถูกเล่ามันจะได้มีข้อมูลมาสนับสนุนหรือหักล้างนะเพิ่มพื้นที่ประมวลผลกันนั่นสติเข้มแข็งนั่นมันก็จะประมวลผลเร็วอืมสิงนี้คืออะไรยังไ ง, งนี่งข <c oughs> ้มเหมคือ อยู่ได้ง่ายแบบคนที่เห็นอคนนั้นไม่ดีคนนี้ไม่ดีก็เออไม่ใช่พระหลานเนี่ยมันก็ต้องเป็นแบบนี้ถ้าเป็นพระหลานคงไม่ทําเร็วมั้งนั่ น, นมันก็เกิดการคอนโทรลตัวเองไม่จะไปคอนโทรลเขาอ่ะอ ม, มันก็จะอยู่แบบนั้นนะแล้วมันมีเหตุที่จะคุยกันไหมเหระนั่นคุยได้มันก็คุยดูบรรยากาศไม่น่าลงทุนก่อชะลอโปรเจกต์ก่อนนะ <c oughs> บางทีก็ล้มเลิอกอ <c oughs> มันกำลังปีติอยู่ไปคุยอะไรก็มันบรรยากาศไม่น่าลงทุนโอเคป่ะแค่นั้นเดี๋ยวไปเอาหลักการและเหตุผลไปคุยกับคนมีอารมณ์มันก็ไม่ใช่อืมโอเคนะนี้แหละทำบ่อยๆแล้วเราก็จะรู้เองเลยที่จะอยู่กับคนอ่า อืมไอ้ขนบัวกับเขาบัวนี่แหละความต่างครับพระอนาคามาเกิดยังมีไอ้พวกที่แบบโอ้โหไม่มีงัวปนเลยไปกลับอ่ะอืมแบไม่ดูเลยขนาดนั้นเลย เออพระอนาคามาเกิดโอ้โหคุณจะไปปฏิบัติเอหีอะไรหนึ่พระนาคายังมาเกิดโอหีเรื่ยมมันยังสามารถสร้างโมเลกุลกับธาตุอื่นอยู่เลยตลกไม่ไรอีก เช็คดูต <intent>? ัวเองว่าเป็นมัวหรือเป็นอะไรกันไม่ใช่เรื่องเอรปฏิบัติโอ้โหหลวงปู่หลวงตาอะไรแย่ๆนี่คุณจะไปอะไรในยุคกึ่งพุทธกาลเอง ไขมันจะใหญยิ่งใหญ่เท่าหลวงปู่มั่นนะเพราะทุกองคับปฏิบัติที่เรากล่าบอยู่นี่ก็เป็นลูกศิษย์หลวงปู่มั่นดังนั้นที่ท่านปฏิบัติเว้นไว้แต่เราไม่เชื่อท่านก็โอเคละกะละไว้ในฐานที่เข้าใจเป็นสิทธิ ส, ส่วนบุคคลได้แต่ถ้ายอมรับหลวงปู่มั่นกะนั่นแหละก็ทําตามท่านก็จบแล้วแหละเออ เนี่ยไม่ต้องไปอะไรอแต่เท่ไปเท่มากับพวกเฮโรพุทธก็จะไปแบบนั้นแหละไปแบบนั้นนะไปเลื่อยเชยตามเขาว่านั่นแหละลักษณะศีลปตประมาทคือมงคลตื่นข่าวสังโ ย, ยตัวหนึงนะ่งอ่ะในสังโยนสิบนะอ่ะเนื่องจากวิจิกิจชารเนี่ยลังเลสงสัยอยู่ก็เลยมีศีลปตประมาทมงคลตื่นข่าว ก็เลยจะชื่อตามเขาสั ก, กยะที่ที่คือความเห็นเดิมตามที่เขาว่านกระสัย่ยุ์สามเลยนะอืมอเป็นแบบนั้นถ้าไม่ลงมือปฏิบัติมันก็จะมีอยู่แล้วแหละมันก็จะเฮไปตามเขาว่าแื อ, อ ป, รแประเภทเหตุไม่สนผลจะเอาไงอย่างนั้นแค่จิ้มแล้วก็จะบรรลุมัน ม, มันไม่ใช่หรอก มันง่ายเป็นนั่นหลกกูก็ไม่มานั่งมันเมื่อยแล้วกู <c oughs> จะไปมั่งเหมือนกันเนอะ <c oughs> แล้วก็มีแบบขา 25, วาดสองหมืน่นห้าโดยไม่ใช่แล้วไปนีน่ฟานโอ้โหไอเราก็บวดนานเนอะถ้ามึงบอกกูแต่ก่อนกูก็ไม่มานั่งปันนี้หรอก ถ้ามีทางรัดขนาดนี้แกค่สองม่ห้าเนาะก็จะไปหากู้ยืมมานี่จะไปนิพพานเนะ์ี่ยอืมแกจะเป็นแบบนั้นนะ่มันไม่ใช่ง่ายแบบนั้นหรอกจะไปอวกาศโดยไม่ผ่านชั้นบรรยากาศมันเป็นไปไม่ไดอยู่แล้วนอกจากเมาเกาว <c oughs> โอ้มื่กว่าเราเด็กดมกาวเลยเลยเนี่ยเนี่ยเดมทินเนอร์เลยเละเนี่ยเราเราเล่นหมดอ่ะเราฉีดผงขาวเล่นทั้งเบอร์3เบอร์4เนี่ยได้อไดอาสุพแพิรโลแพมรลาเกตินแวลิเนียมโอ้ยเนี่ยเนี่ยพวกเด็กๆตรงนั้นโอ้ย Cities. ทุกวันน <No. S 1> ี่กักกักเนี่ยประเภทเรียกร้องความเสมอภาคเท่าเทียมเรียกร้องหาสิทธิ์เพื่อนั่นบอกไม่ใช่เพราะพวกเจนจังเจนเรลิชั่นจังไร่ เ้วเราเนี่้าคนที่เจ๋งจริงอไม่ไ ม, ไ ม, ไม่คิดที่จะไปดิดดิ้นที่จะเปลี่ยนสภาพแวดลร้อนจำเป็นจริ ง, รงแต่หันมาบริหารจัดการตัวเองเราเป็นได้ทุกอย่างในดาวเคราะห์ ด, ดวงนี้ตามกำลังความรู้ความสามารถของเราแม้แต่หมาเห็นไหมเนี่พวกเคนายอะ่ะนะมันยังมีมูลค่าต่างกว่าหมาจอนจัดหมาคุยขยะขนาดขนาดหมาแต่มันจะต้องถูกฝึกฝึกก็คือฝืนตัวเองเขาจะต้องถูกริดลอนสิท์ละ นั่นที่จะต้องมาทําพฤติกรรมใหม่ซ้าๆ ซ, ซ, ซากๆในการดมระเบิดหรือดมยาเสพติดเนี่ยแล้วนานๆเขา้าเขาก็คุ้นชินอยู่กับพฤติกรรมใหม่ที่เขาได้ <c oughs> ฝึกมาเรียนรู้มาเขามีศักยภาพในการที่ดมระเบิดดมยาเสพติดถามว่ามูลค่าทางสังคมของเขาอ่ะเคนายอะหมาดมระเบิดดมยาเสพติดกับหมาจันจัดหมาคุยขยะมูลค่าต่างกันไหมหระกันนี่เหมือนกันถ้าเรามีโอกาสเรียนเราตั้งใจเรียนอย่างเงี้ยนะ เราก็จะมีความรู้เรามีความรู้เราก็มีศักยภาพในตัวเองเรามีศักยภาพในตัวเองเราก็มีสถานภาพทางสังคมที่ดีฐานะทางครอบครัวที่ดีคุณภาพชีวิตที่ดีเพราะมีสิ่งนี้สิ่งนี้จึงมีที่พระเจ้าสอนนะนะไม่ใช่มันจะต้องเปลี่ยนระบอบการปกครองเปลี่ยนโครงสร้างสังคมเพื่อนั้นโอ้ยอันนั้นกากเมากา <c oughs> บอกไม่ใช่เป็นได้ทุกอย่างจากความรู้ความสามารถดูสีเจนผิงด็เป็นไงเขาเกิดท่ามกลางคอมมิวนิสต์แต่ เจ๋งไม่เอวแล้ยแจ็คมาเป็นเจ้าของอบาบาคืออัพเลเวลตัวเองอ่เนี่ยเป็นนายทุนท่ามการโครงสร้างคอมมิวนิสต์เนี่ยเพะถ้าเจ๋งมึงไม่ต้องไปห่วงหรอกต่อให้เป็นเผามนุษย์กินคนมึงก็จะเป็นหัวหน้าเผาอย่างน้อยก็ลูกเขยเผาถ้ามึงเจ๋งอ่ <laughs> ไม่ไปโวยวายเอาพวกเราทํางานอยู่เร น, นี่ก็โครงสร้างสังคมแบบนี้และระบบ ก, การปกครองแบบนี้ไม่ใช่หรือว่าแล้วพวกเราก็ยังมีสถานภาพสังคมแบบนี้ เ, เพราะอะไรกันยังไงเพราะพวกเราเจ๋งไงเนอถ้ากากมันไปอยู่เมริกาอยู่ยุโรปมึนก็เป็นแค่โฮมเลสพวกไรบ้านกากไงบรเวณนั้น เ, เสียดายโมเลกุล กระบว น, นการคิดไม่ต่างคางงรามีเซียมเยจะดูเป็นคนเป็นแบบนั้นไม่ใช่อ่า อ, อถามเรื่องอะระหว่างสามีเยครับปฏิบัติธรรมนะครกับรรยาที่ปฏิบัติธรรมครับสามีบวชมาเรียนมาแต่การปฏิบัติธรรม กับภรรยาเนี่ยฮะก็คือว่าภรรยากับ อ, อยู่กับปัจจุบันได้ดีกว่าออืคิดได้ดีกว่าอืถามว่าระหว่างสามียภรรยาการปฏิบัติของทั้งสองคนเนี่ยคือคนที่เป็นผู้ปฏิบัติเป็นสามี้บยังยังยังแยกแยกให้ออกไปออื หมายถึงว่าผ mm, mm. ู States ้หญ mm, mm, mm. ิงกับผู mm. Mm ้ชายอรรอืมนก็มีสิทธาบเรตด้ครับแต่ผู้หญิก็จะมีความโกรธต้องมีทุกคนนะืกรธแต่รู้สึกว่าภรรยาจะบริหาการดีกว่าครับแต่เราอะั้งบวชปฏิบัติเราแบบนีงไงคือเข้าวัดทาสติติไง ใอสร้างจะภาพลักษณ์อ่ะแต่จะไม่ดูผลลัพธ์อ่ะเอออ้นี่เขาาปฏิบัติอยู่ตลอดการปฏิบัติคือการคอนโทรลตัวเองบริหารจัดการตัวเองเออแล้วทีนี้ดูผลลัพธ์ของเขาอ่ะอืมอเห็นไหมนเขามีกระบวนการคิดวิเคราะห์ที่ดีมีเหตุผล มีทักษะที่จะยับยั้งชั่งใจไดแ้แสดงว่าเขามีธรรมคือมีความพอดีในใจของเขาเนี่ยจะเป็นแบบนั้นแต่ของเราเนี่ยเอาแต่ภาพลักษณ์คือเราไปวัดบ่อยนะเราชอบเข้าวัดนะเราชอบปริวัตินะแต่ดูผลลัพธ์ไม่ใช่อะ่ะจะเป็นแบบนั้นมันต้องมาดูตรงนี้ด้วย <c oughs> อย่าไปดูแต่ น, นให้ลงมืออืมสมาธิก็คือนั่งนานนะครับอืึ่งชั่วโมงสองชั่วโมงสามชั่วโมงเนะี่ยได้ได้ได้ได้เรียนรู้อะไรเกี่ยวกันนะสมาธิอแต่ผู้หญิงก็อ่ภรรยาก็ไปในหน้าแบบนี้แต่กัดอยู่ได้ดีกว่าเกันยังไงเราถึงบอกว่าต้องดูดูดูผลลัพธ์ด้วยเพราะบางคนก็มีทิฏฐิมานะนั่นแหะหรือสีเขานั่งในนานกว่าเราอีกได้๋ยวซ้ำนั่นะนะนะนะ เออท่านไปเอาสถิติตรงนี้ก็ไม่ใช่ก็ถึงบอกว่าดูผลลัพธ์ด้วยอืมดูผลลับด้วยหลังจากที่นั่งมาแล้วได้ประโยชน์อะไรทีนี้อะคุณนั่งเอานั่งเอาเวลาเฉยๆนั่งเอาสถิติตเพื่อที่จะเกทับบับแหลกเมียเฉยๆ <c oughs> <c oughs> คุณไม่ได้ไปทําลายกิเลสตัวเองเลยเอ่ะเออคุณมีความอดทนอดกั้นสูงไมหมล่ะที่จะฟังเขาอ่ะ ไม่ใช่คุณเอาแต่ตักกะหนุนตัวเองโดยว่าตัวเองชอบเข้าวัดแล้วตัวเองภาวนาตัวเองอย่างนั้นอย่างเนี้แล้วก็มันได้เมียเมียก็สวนซ้า <c oughs> แล้วคุณก็งโง่คุณแยกไม่ได้หนุนสนามรบที่ไม่มีทางที่คุณจะชนะหลอกเมียนะเอะ <c oughs> เอพอดจริงว่าล่ะเออ พราะยาง น, นั้นคุณปฏิบัติคุณจะต้องปฏิบททัติที่นั่นแหละพยายามที่จะหักข้ามตัวเองคิดด้วยเหตุด้วยผลทีนี้ด้วยความเป็นทิถีิมาหน้นะเนเอยคุณจะต้องพยายามที่จะเหนือเขาออืมแพ้ตลอดแหละอืมขนาดแม่สอนลูกแม่สอนลูกชายนะนะวเมื่อ ต่อไปออกไปข้างนอกอถ้าอยู่กับสังคมรอบนอกเขาถ้าเป็นมีปัญหากันต้องมีสติคิดให้ดีก่อนนะที่จะไปตอบโต้นู่นนั่นนี่ถ้ามีปัญหากับคนที่อ่อนกว่านี่นับหนึ่งถึงิค่อยตอบโต้ถ้ามีปัญหาคนที่อาวุโสกว่านี่นับหนึ่งห้าี่คือจได้มีเวลายับยั้งชั่งใจวิเคราะห์ใขขัวรแล้วค่อยตอบโต้ แล้วทีนี้กับเมียเน่ะถามแม่แม่บอกว่ามึงก็นับไปเรื่อยๆแล้วไม่ต้องพูดโอเค ครับมีท่านใดจะสอบถามมีคำถามนะครับ <c oughs> ก็เป็นธรรมะที่ประยุกต์นะครับสำหรับชีวิตการใช้ชีวิตจริงๆนะครับ <c oughs> แล้วโดยอาศัยการปฏิบัติการควบคุมบริหารจัดการตัวเองที่จะมาใช้กับชีวิตประจำวันซึ่งมันใกล้ตัวมากครับต้องคิดได้ดีทองคำนะ ไม่ใช่เศรษฐียื่นให้หรือจะเป็นทองคำต่อให้ขอทานหยิบยื่นให้มันก็เป็นทองคําถ้ามันเป็นทองคําแล้วคนที่รับนะ่ะรู้จักคุณค่าของทองคําอำเป็นแบบนั้นนะ่ะธรรมะนะ่ะไม่ใช่ว่าโอ้ยเมียเราไม่เข้าวัดหรอกสิ่งที่เขาก็ทําสิ่งที่เขาพูดจะไม่ใช่ธรรมะบอกไม่ใช่ถ้ามันเป็นธรรมใครนําเสนอก็เป็นธรรมนั่นนั้นแหละขี้เล่าแท้ๆนะ่นะมันพูดธรรมะก็ต้องเป็นธรรมะไอ้มึงเกี้ยกล่อมทำดีได้ดีทาชัว่วได้ชัว่วนะ ว่าไม่เป็นธรรมะเลยมันก็เป็นธรรมะเลยไม่ใช่ตมันนะั่งทำดีได้ดีทำชื่อดีชื่อโอเคว่าล่ะฟังเมียบ้างมว่าฟังเมียดี เราดีใช่ก็นี่ไงเราก็พยายามที่จ ะ, จะหาสิ่งที่แบบว่าจะต้องเหนือเขาอ่ะสิ่งที่คุณผลิตขึ้นมาเพื่อที่จะสร้างความเหนือเมียแค่นั้นเราไม่คิดอะไรเลยอะโดยเอาสติติต่างๆอะนั่งกูต้องนั่งในนานกว่าอันนั้นมาณที่สี่ก็มีนั่นน่ะไม่ใช่นั่นน่ะก็เป็นกิเลสอย่างหนึ่งเลยนั่นน่ะเ แต่ความหนาแน่นของมวลความสําคัญมั่นหมายมากความหนาแน่นของมวลก็มากความหนาแน่นของมวลมากกันหนักมากหนักมากก็ทุกมากในใจนเห็นไหมล่ะเออแต่ความสําคัญมันใหม่น้อยความหนาแน่นของมวลก็น้อยกระเป๋าไม่มีความสําคัญมั่นหม่เลยก็ไม่มีมวลเลยอ่ะอืมก็เป็นอิสระมวลกิเลตอะอืม ก็ต้องดนะูมันกุ่นอยู่ตรงนี้พอเมียวา่าเมียเมียเมียเมียพูดปุ๊บรู้สึกมันขวางหูงเลยไนงะ <c oughs> ทั้งทั้งที่บางทีก็ถูกอะแต่ต้องหาเหตุผลมาที่จะเหนือเขาไม่ใช่